เววัหมวดว่าด้วยพระพัทธิยะเป็นต้นหนึ่งละกุณตกะพัทธิยะเถราประธานประวัติในดิตชาของพระลักุณตกะพัทธิยะเถระพระลักุนตกะพัทธิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าพระทินเจ้าพระนามว่าปทุมตระทรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นํา สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากในกรุงหงสาสวดีที่เดินเล่นพักผ่อนอยู่ได้ไปถึงสังคารามครั้งนั้นพระผู้ทรงเป็นผู้นำผู้ทรงโลกให้สว่างสวัยพระองค์นั้นทรงสแสดงธรรมด้วยตรัสร์เสริญสาวกผู้ประเสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ พระพเจ้าได้ฟังการสรรเสริญ น, นั้นแล้วก็พลอยยินดีจึงได้ทำสักระแด่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ปราประยุคลบาตรของพระาศาสดาแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำพิเศษได้ตรัสพยากรณ์ในถ้ำกลางสงว่าในอนาคตการท่านผู้นี้จะได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนาเง็กับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป พระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรสงสมภพในราชสกุลโอ ก, าการะคาราชจากอุบัติขึ้นในโลกบุตรเสธีนี้จะมีนามว่าพัทธิยะเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละ ก, กายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ในกลับที่92สองนับจากกลับนี้ไปพระชินเจ้าพระนามว่าผุษะทรงเป็นผู้นำหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากยากที่จะข่มได้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วและพระองค์ทรงเพียรพร้อมด้วยจรณนะทรงเป็นผู้ประเสริฐเที่ยงตรงทรงมีความเพียนเผากิเลสทรงสแสวงหาประโยชน์เพื่อคูณเพื่อสรรพสัตว์ ทรงเปลืองสัตว์จำนวนมากจากกิเลสเครื่องจองจำเข้าพระเจ้าเกิดเป็นนกดูวาวขาวอาศัยอยู่ที่ต้นมะม่วงใกล้พระคันทกุฎีอันประเสริฐหน้าเพลิดเพลินยินดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพุษะพระองค์นั้นครั้งนั้นเขาพเจ้าเห็นพระชินเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงเป็นทักขินายบุคคลกําลังเสด็จบินถบาทจึงทาจิตให้เลื่อมใสแล้วส่งเสียงร้องอย่างไพเราะ ครั้งนั้นข้าพเจ้าบินไปที่สวนหลวงคาบมะม่วงผลที่สุกดีมีเปลือกเหมือนทองคําน้อมเข้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นําประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงทราบวาราจิตของข้าพเจ้าจึงทรงรับบาดมาจากมือของภิกษุผู้อุปถาข้าพเจ้ามีจิตเปร้าเริงได้ถวายผลมะม่วงแด่พระมหามุนีครั้นใส่บาดแล้วก็ประนมปี ส่งเสียงร้องด้วยเสียงไพเราะน่ายินดีน่าฟังเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปหลับนอนครั้งนั้นนกเหยียวผู้มีใจหยาบช้าได้ชฉบเข้าพเจ้าผู้มีจิตเบิกบานมีอธัธยาศัยน้อมไปสู่ความรักต่อพระพุทธเจ้าไปฆ่าเสียเข้าพระเจ้าจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปสวยสุขอย่างมากอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วมาสู่กาเนิดมนุษย์เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้น ในพัตระกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะตามพระโคดผู้เป็นเผาพันธ์ของพราหม์มีพระย์ยิ่งใหญ่ประเสริฐกว่านักปราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์นั้นพร้อมสาวกทรงประกาศศาสนาให้รุ่งเรืองคมเดรถีผู้หลอกลวงเสียแล้วทรงแนะนำเวเนศสัตว์ปรินิพานแล้วเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้เลิศในโลกเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ประชุมชนจนํานวนมากที่เลื่อมใสสร้างพระสถูวเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาพวกเขาปรึกษากันอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะช่วยกันสร้างพระสถูวของพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้สูงถึงเจ็ดโยต์ประดับด้วยรัตนเจ็ดประการครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นจอมทัพของพระเจ้าแผ่นดินแคว้นกาสีพระนามว่ากิกีก ได้พูดถึงขนาดเจดีของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ครั้งนั้นชนเหล่านั้นได้ช่วยกันสร้างเจดีของพระาศาสดาผู้ทรงเป็นนักปราศก่านราชนสูงเพียงโยอดเดียวประดับด้วยรัต น, น, นานาชนิดตามคำแนะนำของข้าพเจ้าด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง บัดนี้เป็นพบสุดท้ายเขาพระเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคัง่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีเขาพเจ้าได้เห็นพระสุคตในเวลาเสด็จเข้านครเป็นผู้มีความอัศจรรย์ใจบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลด้วยกรรมคือการลบขนาดของพระเจดีย์ที่เขาพเจ้าได้ทําไว้แล้วเขาพเจ้าจะมีร่างกายต่ําเตี้ยน่าเยื้หยัน ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นฤาษีผู้ประเสริฐ ด, ด้วยเสียงที่ไพเราะจึงได้ถึงความเป็นผู้เลิกความภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะด้วยการถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าและด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณข้าพเจ้าจึงสมบูรณ์ด้วยสามัญญผลอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งโป่งข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระละกุลตกะพัทธิยเทระได้ภาสุภถาเหล่านี้ด้วยประการะชนิลกุลตกะพัฏธิยเทราประธานที่หนึ่งจบสองกังขาเรวัตเทราประธานประวัติในติชะชาของพระกังขาเรวัตเทระ พระกังขาเรวตะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจจ่าของตนจึงกล่าวว่าพระชีนเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีพระหานุเหมือนคางราชสีพระดํารัตเหมือนเสียงพรมพระดํารัตที่เปล่งออกดูเสียงโผงและเสียงมโหระทึก เสด็จดำเนินประดุจการก้าวย่างของพญากุญชรมีพระรัศมีประหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นต้นทรงพระปรีชามากมีความเพียรมากมีความเพ่งพินิจมากทรงรู้กติของเหล่าสัตว์จำนวนมากประกอบด้วยพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งของสรรสัตว์ทรงขจัดความมืดใหญ่บางคราวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกทั้งสามเป็นมุนี ทรงทราบวารจิตของสัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นเมื่อจะทรงแนะนําเวเนยสัตว์หมู่ใหญ่จึงทรงแสดงธรรมพระชินเจ้าตรสัสรเสริญภิกษุผู้มีปกติเข้าฌานยินดีในฌานมีความเพียรสงบประงับมีจิตไม่ขุนมัวทรงทำหมูชนผู้เป็นบริษัทให้ยินดีครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวโครงหงษสวดีจบไตรเพศได้ฟังพระธรรมแล้วก็พรอยยินดี จึงปรารถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษได้ตรัสพยากรณ์ในท้ำกลางสงว่าจงยินดีเถิดพราหม์เธอจะได้ตำแหน่งนั้นสมความปรารถนาในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมพบในราชสกุลโอกา ก, าการากราดจากอุบัติขึ้นในโลกเขาจะมีนามว่าเรวตา เป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นด้วยกรรมเาพเจ้าทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเาพเจ้าละกลายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดันหนึงบัดนี้เป็นพบสุดท้ายเาพเจ้าเกิดในตระกูลกษัตริย์ที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากในกรุงโกเลิยะในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในกรุงกบิลพัท ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสุคตจึงออกบวชเป็นบรรพชิตความสงสัยของข้าพเจ้าในสิ่งที่คนและในคนนั้นๆมีมากพระพุทธเจ้าด้ยทรงแสดงธรรมที่ประเสริฐกาจัดข้อสงสัยทั้งปวงนั้นจากนั้นข้าพเจ้าก็ข้ามพ้นสงสารได้เป็นผู้มีความยินดีอยู่ในสุขที่เกิดแต่ชานทุกเมื่อครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นข้าพเจ้าจึงตรัสพระด âm รัสนี้ว่า ความสงสัยบางอย่างในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าความสงสัยท่องปวงนั้นบุคคลผู้มีปกติเข้าชานมีความเพียรประพฤหมจั น, นย่อมละได้กรรมที่ข้าพเจ้าทําได้ไว้ในกลับที่หนึ่งแสได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วจากกิเลสหลุดความเร็วแห่งลูกสอนที่พ้นไปจากแกล้ง ข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วลำดับนั้นพระมุนีผู้มีพระปีชามากทรงถึงที่สุดโลกทรงเห็นข้าพเจ้าว่ายินดีในฌานหนึ่งนิดจึงทรงตั้งข้าพเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ยินดีในฌานกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกังขาเรวตะเถระได้พาศิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้กัขงขาเรวตะเถราประธานที่สองจบ 3. สามีวลีเถราประธานประวัติในดีิจจ่าของพระศีวลีเถระ พระศิวลีเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปสำหรับพระองค์ศีลใครๆก็นับไม่ได้สมาธิเปรียบได้ดังเพชรยานที่ประเสริฐใครๆก็นับไม่ได้ และบิมุติก็หาอะไรเปรียบไม่ได้พระผู้ทรงเป็นผู้นำทรงแสดงธรรมในสมาคมมนุษย์เทวดาหน้าและพรหมซึ่งเนืองแน่นไปด้วยสมณะและพรามพระพุทธองค์ผู้แกล้วกล้าในท้ำกลางบริษัททรงตั้งสาวกของพระองค์ผู้มีลาภมากมีบุญมีความรุ่งเรืองไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ในกรงหงสาวดี ได้ฟังพระชินเจ้าตรัสถึงคุณเป็นอันมากของสาวกนั้นเขาพเจ้าจึงทูลนิมนต์พระชินสีพร้อมด้วยสาวกให้สวยและฉันตลอดเจดวันครั้นถวายมหาทานแล้วก็ได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระธีระเจ้าผู้องค์อากวาบรุษพ่อพระเนรเห็นเขาพเจ้าผู้หมอบอยู่แทบยุคโคลบาทจึงได้ตรัสพระดารดนี้ด้วยพระสุรเสียงอย่างปลึกก้องลำดับนั้น ผู้ประสงค์จะสะดับพระธรรมราชของพระชินเจ้าคือมหาชนทวยเทศคนทันพรหมผู้มีฤทธิ์มากอันหนึ่งสมณะและพราหมณ์ต่างประนมมือนมัสการกราบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระองค์พระมหากษัตริย์ได้ถวายทานเกินเจ็ดวัน ข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ทั้งหลายพระสงฆ์จะฟังผลของมหาทานนั้นขอพระองค์โปรดพยาปร์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังภาษิต ข, ของเราทักษิณาที่ตั้งไว้แล้วในพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณหาประมาณมิได้พร้อมทั้งพระสงฆ์ใครจะเป็นผู้กล่าวถึงทักษิณาทานได้เพราะทักษินานั้นมีผลหาประมาณมิได้ อันหนึ่งกษัตริย์ผู้มีโภคะมากนี้ปรารถนาตำแหน่งอันสูงสุดว่าในบรรดาคนที่มีลาภไพบูร์เราก็เพีงเป็นผู้มีลาภเหมือนภิกษุชื่อสุทัศนะกษัตริย์องค์นี้จักทรงได้ตำแหน่งนั้นในอนาคตการในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอก า, ก า, กาก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลก ประจัติองค์นี้จักมีนามว่าศีวลีเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทําเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ตัวเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกพระนามว่าวิปัสสี ผู้มีพระเนตรงดงามทรงเห็นแจ้งทาทั้งปวงสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นคนโปรดปรานเป็นคนที่ขยันและขวนขวายในการงานแห่งตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงพันธุมดีครั้งนั้นชุมชนหมู่หนึ่งสั่งให้ในายช่างสร้างบริเวณซึ่งปรากฏชื่อว่ามหันถวายพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าวิปัสสี เมื่อการแจ้งบริเวณสำเร็จแล้วพวกเขาได้ถวายมหาทานซึ่งประกอบด้วยของเคี้ยวมัวแต่สแสวงหานมส้มใหญ่และน้ำพึ่งใหม่อยู่จึงไม่ได้ถวายขณะนั้นข้าพเจ้ากำลังถือนมส้มและน้ำพึ่งใหม่เดินไปยังเรือนของนายแจ้งชนทั้งหลายที่สแสวงหานมส้มและน้ำพึ่งใหม่มาพบข้าพเจ้าถึงให้ราคาถึงพันกหาปณะนะก็ยังไม่ได้ของสองอย่างนั้น ลำดับนั้นเขาพระเจ้าคิดว่าของอย่างนี้จะไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเลยจนเหล่านี้ทั้งหมดสักการะพระตถาคตฉันใดแม้เราก็จะทำสักกระพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ฉันนั้นครั้งนั้นเขาพระเจ้าได้นำนมส้มและน้ำพึ่งไปผสมเข้าด้วยกันแล้วถวายพระโลกอนธพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยกมที่เขาพระเจ้าได้ทาไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละ ก, กายมนุษย์แล้วจึงได้แต่เกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดืองข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้มียศยิ่งใหญ่ในกรุงพารณสีอีกครั้งนั้นข้าพเจ้าแกล้นใจศัตรูจึงสั่งทหารให้ปิดประตูเมืองครั้งนั้นเหล่าพระราชาผู้มีเดช ท, ที่ถูกคล้อมรักษาไว้ได้เพียงวันเดียวเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงต้องตกนรกที่ร้ายกาศบัดนี้เป็นภพสุดท้าย ข้าพเจ้าเกิดในกรุงโกริยะพระชนนีของข้าพเจ้าพระนามว่าสุปวาสาพระชนกของข้าพเจ้าพระนามว่ามหาลิิชวีข้าพเจ้าเกิดในขัตยตาะกูลก็เพราะบุญกรรมแต่เพราะอนุภาพแห่งการปิดประตูเมืองข้าพเจ้าจึงต้องประสบทุกข์อยู่ในพระคันของพระมารดาถึงเจ็ดปีข้าพเจ้าหลงช่วงคลอดอีกเจ็ดวันประสบทุกข์หนัก พระมารดาของข้าพเจ้าต้องประสบทุกแสนสาหัสเช่นนี้ก็เพราะมีความพอใจให้ปิดประตูเมืองข้าพเจ้าผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้วจึงคลอดออกจากพระคลังของพระมารดาด้วยความสวัสดีข้าพเจ้าได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในวันที่คลอดนั่นเองพระสาวรีบุตรเทระผู้มีปัญญามากเป็นพระอุปชาของข้าพเจ้าพระมหาโมคลานะเถระผู้มีฤทธิ์มาก เมื่อปรงผมให้ได้พระมสจเนข้าพเจ้าในขณะกำลังปลงผมข้าพเจ้าก็ได้บรรลุอรหัตผลถวยเทศมูนาคและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็น้อมนำปัจจัยเข้ามาถวายข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มีใจยินดีปรีดาบูชาพระโลกนาคพระนามว่าปทุมตระและพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ทรงเป็นผู้นาวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายโดยพิเศษ ด้วยผลอันวิเศษแห่งกรรมนั้นเขาพเจ้าจึงได้ลาบที่อุดมภัยบูในที่ทุกแห่งคือในป่าในบ้านในน้ำและบนบกในคราวใดพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศในโลกเป็นผู้นำวิเศษพร้อมด้วยพิสุสามิลลรูปเสด็จไปเยี่ยมพระเรวตะในคราวนั้นเขาพระเจ้าบำรงพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีปริชามากทรงมีความเพียรมากทรงเป็นผู้นาสัตว์โลก พร้อมด้วยพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่ที่เหล่าเทวดาน้อนมนามาถวายเข้าพระเจ้าพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมพระเรวตะแล้วภายหลังเสด็จกลับไปยังพระเจดวันมหาวิหารจึงทรงแต่งตั้งเข้าพเจ้าไว้ในเอตัทัคคะพระาศาสดาผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์เบื่องคุณแก่สรรพสัตว์ได้ตรสัสสรรเสริญเจ้าในถ้ำกลางบริษัทว่าภิกษุทั้งหลาย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 สีวลีเทราประธานที่สามจบสวังคีสะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระวังคีสะเทระพระวังคีสะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้า พ, พระนามว่าปทุมุตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไป ศาสนาของพระองค์งกงามไปด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหมือนคลื่นในสาครและเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าพระชินเจ้าผู้สูงสุดอันมนุษย์พร้อมทั้งถวยเทพอาสน์และนาคห้อมล้อมในถ้ำกลางหมู่ชนซึ่งเนืองแน่นไปด้วยสมณะและพราหมณพระชินจาจ้าพระองค์นั้นทรงถึงที่สุดโลกทรงทำสัตว์โลกทั้งหลายให้ยินดีด้วยพระรัศมี ทรงทำดอกบัวคือเวนยสัตย์ให้เบ่งบานด้วยพระดำรัสทรงสมบูรณ์ด้วยเวสารัชธรรมสีประการเป็นบุรุษผู้สูงสุดและความกลัวและความกาหนัดได้แล้วทรงบรรลุธรรมที่กเกสมมีความแกล้วกล้าพระผู้ทรงเป็นผู้เลิศในโลกทรงปฏิญาณฐานะที่ประเสรศิฐล้าเลิศและพุทธภูมิทั้งสิน้นไม่มีใครจะทักทวงได้ในฐานะไหน เมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นบรรลือศีหนาที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ย่อมไม่มีเทวดามนุษย์หรือพรมหมบรรลือตอบได้พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าทรงแสดงธรรมที่ประเสริฐทรงช่วยมนุษย์และเทวดาให้ข้ามสงสารวัตรทรงประกาศธรรมจักในถ้ำกลางบริรสัทธ์สรรเสริญคุณเป็นอันมากแล้วตั้งพระสาวกผู้เลิกความิกษุผู้มีปฏิพานที่ชาวโลกยกย่องว่า เป็นคนดีนั้นไว้ในตำแหน่งเอตัทะคะครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหม์ชาวกรุงหงษ์สวดีประชาชนสมมติว่าเป็นผู้ประเสริฐรู้แจ้งพระเวททุกคำภีมีนามว่าวังคีจะมีวาทะที่เป็นประโยชน์ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระมหาวีระพระองค์นั้นสับพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้ปิติอย่างประเสริฐเป็นผู้ยินดีในคุณของสาวก ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์พระสุคตผู้ทําสัตว์โลกให้เพลิดเพลินพร้อมทั้งประสงค์ให้สวยและฉันตลอดเจ็ดวันแล้วให้คลองผ้าชุดใหม่ข้าพเจ้าได้หมอบลงแท่พระบาทด้วยเสียงแกล้าวได้โอกาสจึงยืนประนมมืออยู่ณที่สมควรเป็นผู้ร่าเริงกล่าวสดุดีพระชินเจ้าผู้สูงสุดว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีวาทะที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระฤาษีผู้ประเสริฐข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลิศในโลกทั้งปวงข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ขจัดภัยข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงย่ยยีมารข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสดงทิฐิข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงประธานสันติสุขข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทำที่พึ่งข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้ไม่มีที่พึ่งทรงประทานความไม่มีภัยแก่คนทั้งหลายที่ตื่นกลัวทรงเป็นที่ไว้วางใจของคนทั้งหลายที่มีภูมิธรรมสงบระงับทรงเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายผู้แสวงหาที่พึ่งที่ระลึก เราได้สะดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำกล่าวสะดุดีมีอธิอย่างนี้แล้วด้วยกล่าวสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่จึงได้บรรลุ ก, กติของภิกษุผู้เป็นนักพูดผู้กล้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีปฏิภาณไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสว่าผู้นั้นใดเป็นผู้เลื่อมใสทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกให้สวยและฉันตลอดเจดวันด้วยมือทั้งสองของตน และได้กล่าวสดุดีคุณของเราผู้นั้นปรารถนาตำแหน่งของภิกษุผู้เป็นนักพูดผู้ ก, ล, กล้าในอนัตตการเขาจักได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนาเสวยที่พยทสมบัติและมนุษยสมบัติมีประมาณไม่น้อยเนยกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสุลโอกาก า, กาก ร, รา่าจากอุบัติขึ้นในโลก พราหมณ์นี้จะมีแนามว่าวังคีสะเป็นธรรมทายาิเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นเขาพระเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาอุปถาพระชินเจ้าผู้ตถาคต ด, ด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตในครั้งนั้นด้วยกรรมที่ขาพเจ้าได้ทาไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นไว ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวเดืองบัดนี้เป็นภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลปริพาชกเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นครั้งสุดท้ายมีอายุได้เจ็ดขวบเป็นผู้รู้แจ้งพระเวททุกคัมภีเกล้วกล้าในวาทศาสตร์มีเสียงไพเราะมีท่อยคำวิจิตสามารถย่ำยีวาทะของผู้อื่นได้เพราะข้าพเจ้าเกิดที่วังคะชนบทและเป็นใหญ่ในท่อยคา ข้าพเจ้าจึงได้ชื่อว่าวังทีสะเพราะฉะนั้นถึงแม้ชื่อของข้าพเจ้าจะเป็นเลศก็เป็นชื่อสมมติตามโลกในการที่ข้าพเจ้ารู้เดียงสาอยู่ในวัยเริ่มเป็นหนุ่มได้เห็นท่านพระสารีบุตรในกรงราชคลึที่น่ารื่นรมภาณวาระที่ยีิห้าจบท่านอุ้มบาสารวมสายตาไม่ลอกแลบพูดพอประมาณและมองดูเพียงชั่วแอ เชื่อบินทบาตอยู่ครั้นเห็นท่านแล้วก็ยิ้มแย้มได้กล่าวบทคถาที่สมควรอันวิจิตเหมือนดอกกัญชาที่เป็นกลุ่มท่านบอกข้าพเจ้าถึงพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกครั้งนั้นพระสารีบุตรผู้ฉลาดเป็นนักปราตนั้นได้พูดกับข้าพเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าอันพระเทระผู้คงที่กล่าวถ้อยคําอันประกอบด้วยวิราคะธรรมยอดเยี่ยม ที่เห็นได้ยากให้ยินดีแล้วด้วยปฏิพานอันวิจิตจึงหมอบลงแทะเท้าของท่านด้วยเสียงกล้าวแล้วก็กล่าวว่าขอได้โปรดให้กระผมบรรพชาเถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากได้นำข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดข้าพเจ้าหมอบลงแทะพระยุ ค, คลบาทด้วยเสียงกล้าวแล้วนั่งณที่ใกล้พระศาสดา พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ตรัสถามข้าพเจ้าว่าวังคีจะศิลปะอะไรอะไรของท่านมีอยู่จริงหรือข้าพเจ้ากราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านรู้ศีลจัของคนที่ตายไปแล้วว่าไปสู่สุคติหรือทุคติจริงหรือถ้าท่านสามารถรู้ได้ด้วยวิชาพิเศษของท่านจงบอกมาเมื่อข้าพเจ้าทูลรับรองแล้ว พระพุทธองค์คูทรงแสดงปโลกศรีรษะสามกโลกเขาพเจ้าได้กราบทูลว่าเป็นศีรษะของคนที่เกิดในนรกและเทวดาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำได้แสดงกรโลกศรีรษะของพระขี่นาศพเพราะศีรษะนั้นเขาพเจ้าหมดมานะจึงทูลขอบรรพชาอย่างอ่อนน้อมครั้บนบรนประชาแล้วได้กล่าวสรรเสริญพระสุคตทุกๆแห่งเมื่อนั้นแหละ ทิสุทั้งหลายพากันเพ่งโทษข้าพเจ้าว่าเป็นจินตะกวีลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษได้ตรัสถามข้าพเจ้าเพื่อทดลองว่าคาถาเหล่านี้เย่อมแจมแจ้งโดยสมควรแก่เหตุแก่คนทั้งหลายผู้ตรรตรองแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์ไม่ใช่นักกราบกลอนแต่ว่าคาถาทั้งหลายแจมแจ้งโดยสมควรแก่เหตุแก่ข้าพระองค์ วังคีจะถ้าเช่นนั้นท่านจงกล่าวสดุดีเราโดยสมควรแก่เหตุในบัดนี้ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวคาถาสดุดีพระธีระผู้เป็นฤาษีผู้ประเสริฐในการนั้นพระทินเจ้าพระองค์นั้นทรงพอพระทยัยด้วยสมควรแก่เหตุจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศข้าพเจ้ามีปฏิพานอันวิจิตจึงดูหมิ่นภิกษุรูปอื่นแต่มีศีลเป็นที่รัก เกิดความสลดใจเพราะการดูหมินนั้นจึงได้บรรลุอรหัตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าไม่มีใครอื่นที่เลว ก, กว่าพิกษุทั้งหลายที่มีปฏิพานเหมือนกับวังคีสาภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงจำไว้อย่างนี้กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้เนื้อกับที่หนึ่งแสนได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วจากกิเลส ดูความเร็วแห่งลูกสรที่พ้นไปจากแรงเข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพกทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัด ก, กิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาศวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่เขาพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้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 วังคีสะเทราประธานที่สี่จบหนันทกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระนันตกะเทระพระนันตกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระจีนเจ้าพระนามว่าปทูมุตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป พระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเป็นบุรุษอาชาในทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระชินเจ้าผู้ถึงความเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยยศมีพระสิริประดับด้วยพระเกียรติคุณคนทั่วโลกบูชาปรากฏไปทุกทิศพระองค์ทรงข้ามพ้นวิจิกิจฉาร่วงพ้นความสงสัยมีใจดำริบริบูรณ ทรงบรรลุสัโพธิญาณที่ยอดเยี่ยมทรงท ร, รมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่านรชนตรัสบอกสิ่งที่บุคคลอื่นยังไม่เคยบอกและทรงทาสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดมีพร้อมทรงรู้จักทางทรงเข้าใจทางอย่างแจ่มแจ้งตรัสบอกทางให้ทรงองค์อาจกว่านรชนทรงฉลาดในทางทรงเป็นพระศ า, าสดา เป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่านรชนผู้เป็นนายสารถีทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้ทรงเป็นผู้นําทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาได้แสดงธรรมทรงช่วยดืองหมู่สัตว์ผู้จมลงแล้วในเปลือกตมคือโมหะขึ้นพระมหามุนีทรงสรรเสริญสาวกผู้ที่ชาวโลกยกย่องว่าประเสริฐในการกล่าวสอนภิกษุณีทั้งหลายได้ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตัทคะ ข้าพเจ้าได้ฟังการสรรเสริญนั้นแล้วก็ปลอยยินดีจึงทูลนิมนต์พระตถาคตพร้อมทั้งะสมให้สวยและฉันพัฒหารแล้วปรารถนาตำแหน่งที่สูงสุดนั้นครั้งนั้นพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงเบิกบานพระไทยได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเถิดท่านจากได้ตำแหน่งนั้นสมความปรารถนา เนื้อกลับที่หนึ่งแสนนักจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมตามพระโธดทรงสมภพในราชสกุลโอค า, า, า, ากราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านจักมีนามว่านันทะกะเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นสาวกของพระศ า, าสดาพระองค์นั้นด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นพบสุดท้ายเขาพเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคัง่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีเขาพรเจ้าได้เห็นพระสุคตในเวลาเสด็จเข้านครเป็นผู้มีความอัศจรรย์ใจได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตในวันที่พระองค์ทรงรับพระอารามชื่อว่าเชตวัน จากนั้นไม่นานข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนจากพระศาสดาผู้รู้แจ้งธรรมจึงข้ามพ้นสังสารวัตรไปได้บรรลุอรหัตผลข้าพเจ้ากระทําการสอบถามธรรมกถาแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีที่ข้าพเจ้าสอนนั้นล้วนได้เป็นผู้มีนิอาสวะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงบําเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลอันใหญ่หลวงทรงพอพระไทย จึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายผู้กล่าวสอนภิกษุณีจำนวน9กห้ารูปกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในกลับที่หนึ่งแสได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วจากกิเลสดุดความเร็วแห่งลูกสอนที่พ้นไปจากแกล้งข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายได้แล้วกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว